คำนำผู้เขียนถ้ากรรมมีตัวตนพูดคุยกับมนุษย์ได้ก็คงพูดอย่างที่หมอดูอุปการะตโมไพรีพูดกับลูกค้าและสานุสิตของเขาทุกคนในในเครื่องหมายคำพูดนิยายเรียนของจริงเรื่องกรรมพยากรณ์นี้กรรมพยากรณ์มีหลายภาคหลายตอนสำหรับตอนแรกคือในเครื่องหมายคำพูดชนะกรรมนี้ลานดาวลีลากิรติจะเป็นตัวแทนนางเอกในโลกความจริงที่สวยรวยเก่งครบสูตร จนกลายเป็นแม่หมดไปโดยไม่รู้ตัวทั้งในแง่ความสามารถดนบันดาลเรื่องดีร้ายนานากับทั้งในแง่ของความหลงอำนาจมนุ์มายาแห่งตนกระทั่งที่สุดแห่งความหลงคือการรู้จักอำนาจเหนือตนรู้จักผลกรรมที่ทําชีวิตเธอให้วิปริตผิดเพี้ยนไปอย่างเหลือเชื่อคนเราไม่เชื่อเรื่องกรรมทั้งที่ทําอยู่ทุกวินาทีและมีผลอยู่ทุกขณะจิตที่คนเราไม่เชื่อเรื่องกรรมก็เพราะไม่เข้าใจว่ากรรมคือเจตนา เมื่อเจตนาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วย่อมเกิดความสุขความทุกข์และบรรดาเหตุการณ์ดีร้ายต่างๆทั้งแบบฉับพลันทันทีและแบบที่เป็นเงาตามตัวเตรียมให้ผลในไม่ช้าเมื่อกำดีออกดอกออกผลผู้คนย่อมเริงรื่นและช้าอย่างไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าทำไมตนจึงโชคดีมีวันคืนชื่นมื่นเห็นปานนี้ขณะที่เมื่อกำชั่วผลิดผลผู้คนย่อมหอยหวนคลวนคลางโดยไม่อาจโยงได้ถูกว่า เพราะเหตุอะไรตนจึงมาตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นกรรมพยากรเป็นนิยายที่นําข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรรมวิบากมาผูกเป็นเรื่องราวให้อ่านได้ทุกแบบไม่ว่าจะเพื่อความสนุกสนานน่าติดตามหรือเพื่อเห็นแก่ตัวอย่างการโยงกรรมและผลกรรมในชีวิตจริงชนิดที่อ่านแล้วแทบจะนึกออกตลอดสายว่าทั้งชีวิตที่ผ่านมาพวกเราก็ทํากรรมและรับผลกรรมซ้ําไปซ้ํามาไม่ต่างจากตัวละครบนเวทีโรงใหญ่ในโลกนี้ทุกตัวนั่นเอง ยอดปรารถนาของนักประพันธน์คือทําให้ผู้อ่านอิ่มเอมเปรมสุขสนุกสนานกับตัวหนังสือตั้งแต่บรรทัดแรกถึงบรรทัดสุดท้ายและยอดปรารถนาของสิทธิ์ฐาคตคือทําให้ญาติธรรมเห็นกรรมของตนกับทั้งเข้าใจกฎแห่งกรรมอันเป็นธรรมชาติกระทั่งตระหนักว่าหากใครสักคนจะหัดเป็นหมอดูมีความสามารถพยากรณ์ได้แม่นยําไม่คลาดเคลื่อนเขาควรศึกษาเรื่องกรรมและฝึกหัดที่จะพยากรณ์กรรมให้ถูกต้อง แล้วความซับซ้อนซ่อนเงื่อนทั้งหลายจะปรากฏเป็นสิ่งเปิดเผยเสียยิ่งกว่าพลิกฝ่ามืออ่านลายมือตนเองดังตรินมิถุนายน2547